ออกจะถามว่ามาร่อยจะพบของมากก็ตอบว่าเป็นเรื่องไม่ยากของที่เห็นแล้วมีแล้วถึงแม้ว่าจะน้อยไป การจะหาของใหญ่ที่มีมากกว่านี้ก็เป็นของไม่ยากเพราะก่อนของไม่เห็นยัง บอกใครก็ถึงไม่จะบอกให้ก็ไม่ได้เกิดประโยชน์ใครเขาจะเชื่อแล้วของมันอยู่ แต่และก็ต้องมีมากจริงๆนั้นมันต้องมีและก็ต้องท่านท่านบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่กับบุญบารมีก็ไม่เรื่องกันไปเรื่องนี้ ไม่ต่อไปก็พูดกันใหม่ต่อไปก็พูดกันใหม่มาคุยกันเรื่องทองคําดีกว่าทองคําที่เจอมาหลายขายได้มานั้นเอากันง่ายๆแล้วก็ขอคุยเรื่องทองคําที่เอาไม่ แต่ว่าทองคําส่วนนี้บอกสถานที่ได้ก็ขอ เห็นเท่าไหร่ก็ตาปรือแล้วคำว่าตาปรือไม่ใช่อยากได้ยนต์ตากันเลิกไป <c oughs> <c oughs> มาดูกันนวะบริเวณวัดท่าสู่เขตรั่วกันยืดรั่ว เดี๋ยวว่าจะ ว่าt องค์ใดหนึ่ง เอาที่เก่ากันจากที่เก่านี้ไป จะวัดใหม่ที่ตั้งใหม่ทองน้อยกว่า ไอ้เด็กของกับผู้เฝ้าก็ไม่ให้อย่างกดไม่มีความหมายไอ้เรื่องการขุดทองที่เจ้าของไม่ให้แต่ผู้เฝ้าไม่ให้มันมีมาแล้วอาตมาก็ไม่จะไม่เล่าเรื่องของอาตมาเองที่โดนผีอารวาทภัยเรือ ก็เป็นเห็นวิธีกรรมแล้วแต่อํานาจแห่งวิธีกรรมไม่โตไปกว่าอํานาจของเทวดาผู้ราคาจึง มันมีคนคณะหนึ่งเป็นคณะได้ไหล เขาถนาระหมายก็ตั้งศาลเพียงตาแต่ศาลเพียงตาบูชาเทวดานูขาวห่มขาวบูชากันไหว้รุมปุม <c oughs> อย่าจะดูเขาเขาไว้วางใจเขา ถ้าโจรจะปล้นเจ้าของทองคําก็ต้องปล้นเรา 3 คนก่อนทั้งนี้ไม่มีอะไรจะประสา ยินเสียงคือคลอคู่พระคีตรใต้เป็นดินเสียงมันตีปากหายปุ้งปุ้งปุ้งๆไม่แน่นอนเค้าน่าจริงๆ อ่าไม่เป็นไปตามนั้นเนี่ยก็เขาจะไม่มัดแต่เขาเขาจะ 1 เมตร ก็เจอปุ่มใหญ่ตุ่มตุ่มใหญ่มากใหญ่กว่าตุ่มน้ําที่เราใช้ธรรมดาในปัจจุบันก็ขุดอ้อมๆตุ่มเข้าไปลึกลงไปให้ตุ่มโผล่ขึ้นมาประมาณสักครึ่ง ขอยกเพิ่นหญิง 100% มีทั้ง 2 อย่าง เราพวกมวยลูกเขาที่ต่างคนต่างที่คนภูมิเวสิงก็ทิ้งพระสิงห์คงโบสถ์ แต่ความจริงมันก็ไม่น่าจะรีบความ 2 ต้น 2 คนน่าจะขุดให้หมดพอทุก มีคนพอคังคารก็ไปดูได้บอกไปไม่มากมองไม่เห็นนี่ไม่รู้สัจจังของเทวดาผู้รักษาในเมื่อเทวดาท่านไม่ให้ก็ไม่มีทางจะได้ถึงจะมาสงสัยว่าไปบอกให้เขาไปบอกให้เขาแล้วเขาทําตามวิธี กลับมาบ้านบ้านอยู่ใกล้บ้านท่านอาจารย์เทศน์อาจารย์เทศน์นี่เป็นพระวาจาเข้าไปกราบกราบท่านอาจารย์เทศน์ท่านเทศน์ท่านดูทําไมเก่งท่านวิทยากรให้ใครถ้าว่าใช้หลับตาปี้ก็ตอบ ถามว่าอาจารย์อาจารย์จะมาได้ทราบท่านบอกว่าทําไมจะไม่ทราบอติวดามาบอกฉันนี่เคารวาทได้ดี การศีลธรรมที่พระวาจีควรปฏิบัติได้ถึงเข้มข้นมากเป็นคนที่บรรดาประชาชนในๆตำบลเคารพนับถือ แล้วถามแล้วว่าเป็นเพราะอะไรให้เค้าแล้วนี่ที่ไม่ให้เค้าก็บอกว่าเค้าทําผิดท่านสั่งให้เค้าสั่งให้มาเฉพาะแต่นี่คนของ 3 คนที่หนองเขาภูเขาถ้าเค้าทําโดยเฉพาะเค้าจะได้ทองคําวันนี้แล้วก็มีผู้เธอไปอีกคนแลคนคน 3 ผมให้ไม่ได้ต้องรอไปก่อนให้ไม่ได้ต้องรอไปก่อนเรื่องความคําว่ารอของจะคูณ เป็นทั้งทาวเนี่ยบ่อยเว้นวัฏฐาสูงก็ใหญ่ๆมาวางบนตนหมดยังมอง เป็นที่พออย่างยิ่งทองหน้านอกจะทองพระเจ้าจักรพรรดิถึงตื่นกว่าแต่ว่ามีเทวดารักษาเข้มแข็งมากก็ไม่ตื่น ก็ลองความว่าท่านบุญใดถ้ามีวิชาความรู้อยากจะพิสูจน์ด้วยคือมือก็ลองพิสูจน์ก็ได้ไอ้แปล ออกดีไหมจังหวัดอุทัยธานีข้ามไปฝั่งมโนรมดีมั้ยเดินเตาะ เวลลมหรือเป็นๆนะแม่ ไปวัดที่วัดแก่นเหล็กก็ดีกว่า <c oughs> Krugtoi Sculpa, kia pode fazer assim. Mãe quem quer com khuallar dritzimbol né? O que eu vi mais quero nós? O que eu caminho viciato né? O que eu vi mais quero positiva? Os maiores cúächei? Ouita eu sou uma pesca ou qualquer pessoa que é muito forte. Sabe agora o que já o medo cá a regime. O que eu vou ver? O que eu se atauro o phi animal não, a verdadeiro do papa e o contra caring? Se ท่านจะไปไหนล่ะครับโตกโน่นที่ไป การจีมเดินเมื่อต้องน่ะแถวกำลังหั่นแถวมีใครบ้างคน มั่นจะไม่ตรลอละของศัลฐานกองสักนั่งคือ shelf castle rege ijn izable vä Brilliant Shirt pez 3 ཀ 點โย่ lied Pentagon 31 daddy iary j äi auto vom fnel تي รilee impedance et Sudda oyn thermometer 隊 Else �� Crowd 噏️噏 misunder ทำธcost ormal Vietnamese Wear umbai stüt 礎 rylic Phar この gerade hotspot ''iban cumin buoy transluc porca Tracy authorization' แต่ที่ฉันยิ้มอ่ะฉันไม่ได้ยิ้มคุณน่ะฉันยิ้มคนอื่นที่ก็เห็นว่าคุณเป็นบ้าก็คนเดียวบอกแถวได้แถวหน้าเดินแถวหลังเดินแทงกลับหลังหันกลับหลังหน้ากลับหน้าเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องบอกเราเป็นคนคนเดียวท่านถามว่าจะไปไหนท่านบอกว่าจะไปหาท่านมหานาค ท่านปู่ใหญ่ก็บอกว่าอ๋อทามมหานาคาอดีตพ่อของ ทองๆมีประมาณ 13 ตันแต่ทองรูปๆก็มีน้ําหนัก 3 เถาสร้อยเพชรหูเพชรต่างเพชรตั้งแหเพชรเหมือนเพชรเพชรทุกอย่างเพชร คุณจะไปที่ภูเขาลูกนั้นใช่ไหมก็ สารวีรปราชญ์บอกว่าเข้าไปคุยกับลูกชายก็แล้วกันจะให้อะไรกันบ้างท่านก็รายงาน ก็จะเริ่มพบทองคําแต่ว่าเอาสิมาไรบอกให้ยกเป็นของพระพุทธศาสนาไปบูชา <c oughs> ท่านปู่ใหญ่ก็ถามว่าเวลา แต่ขายข้อส่วนใหญ่ของลูก เราก็มาคุยกันตอนนี้เพราะรายการนี้เป็นรายการธรรมะ <c oughs> แล้วก็มีพระเท่านั้นที่ตามมาท่านอยู่เหนือพรหมท่านมีความสุขความจริงเป็นคนเป็นเทวดาก็ดีเป็นพรหมก็ ก่อนจะทําอะไรก็ตามขึ้นต้นปักเสาซะก่อนลงเข็มซะก่อนนั่นคือ 1 ให้มีความรู้สึกตามความเป็น <c oughs> อย่าสงสัยในความดีของท่านพระเราต้องเลือกพระสงฆ์เราต้อง เพราะท่านพระประเภทนี้ไว้แล้วไม่มีอนิสงส์เพราะอนิสงส์ที่และกฎให <c oughs> 10 ให้ควบคุมคือไม 1 ไม่ ทางวจาไม่พูดหดไม่พูดคําหยาบไม่พูดส่อ 10 วินาที โยม